พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเอ็ดลำดับที่ส8ปดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ห้าเมษายน2556ห้ามีชื่อเรื่องว่าผลบุญหนุนส่งในหลักของพระพุทธ ศ, ศาสนาเนี่ยใครทำกรรมอันไหนไว้ ใครทำความดีความชั่วไว้ความดีและกรรมดีกรรมชั่วตอนนั้นจะติดตามผลของคนนั้นไปสู่ภายภาคหน้าในพระไตรปิฎกพูดไว้ชัดเจนที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่าจุตูตป ป, ปตาตญาณการจุดติการเกิดการตายของสรรพสัตว์แล้วก็ใครใช้บาปกรรมใช้บุญ มีบุญอะไรมีบาปอะไรเคยทำกรรมอันไหนไว้กรรมดีกรรมชั่วพระพุทธองค์ก็ได้ตัดมาเป็นตลอดในพระไตรปิฎกถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดบาปบุญคุณโทษมีจริงเมื่อทำกรรมอันไหนไว้แล้วกรรมที่กระทาไว้นะ่ะ ในชาตินี้จะให้ผลต่อไปภายภาคหน้าอันนี้พูดไว้มากมายในพระไตรปิฎกถ้าจะลบอคําสอนจุดนี้ออกพระไตรปิฎกคงจะเหลือไม่กี่เล่มนะ เ, เหลือไม่กี่เล่มแต่นี่มีมีทั้งหมดใครทํากรรมอันไหนไว้กรรมใหม่กรรมเก่ากรรมใหม่ก็คือกรรมปัจจุบันนกรรมทําดีทําชั่วปัจจุบันกรรมถ้าทำไม่ดีมันก็ให้ผลเหมือนกันนะ ให้พลในงงปัจจุบันกรรมไปฆ่าเขาเขา้าไปขโมยเขาเขา้เขาไปทำผิดกฎหมายถ้าอยู่บ้านนอกไปขโมยไม้พยุงเขาเนี่ยเขาจับได้ติดคุกหัวโตเหมือนกันอันนี้ก็คือปัจจุบันกรรมกรรมในปัจจุบันการกระทำไม่ถูกต้องอันนี้ก็อดีตกรรมคือคำกรรมในอดีต เราทํากรรมอันไหนไว้ในอนดีตรกรรมดีแลือกรรมชั่วก็จะติดตามมาในภพนี้ชาตินี้อย่างที่พระพุทธองค์ยกเรื่องอจันทาพระจันทธาพระคือพราหมณ์เป็นพราหมณ์เพราะว่าทุกวันนี้พอพวกเราได้ยินว่าพราม์พรามณ์เขาเนี้ยเหมือนกับเราขึ้นเห็นชูโชคอะไรงั้ยเถอะเอออันนั้นกัชูโชค ก, ก็บเป็นตระกูลพราหม์พรามณ์เหมือนกันนะ เรียกว่าพรามคำนี้เนี่ยสมัยทุกวันนี้ก็มีนะกระสัพรามแพทย์สูตรพรามกระสัก็คือปกครองบ้านเมืองพรามก็คือพิธีกรรมพวกนีนะพวกคนชั้นสูงเนี่ยนะนะเป็นผู้ยึดอำนาจเป็นผู้วางระบบประเทศชาติวางกฎเกณฑ์ให้กับผีน้องประชาชนทุกมู่เหล่านะี่แล้วก็ เคียงคู่กับกษัตริย์่ยใครๆว่ากษัตริย์นี่ใหญ่แต่ก็ต้องเน่ะพกพรามเนี่ยแหละกษัตริย์ก็ต้องบางครั้งก็ต้องแคร์พราม์มือนกันนะเออพราม์ก็ต้องเป็นใหญ่แต่พราม์ก็ต้องเคารพกษัตริย์เพราะกษัตริย์มีอำนาจเหนือกว่าเนยแต่พวกแพทย์พวกทําการทํางานพว ก, พวกทํามาค้าขายพวกแพทย์พวกสูตรเนพวกรับใช้ คนต่าต่าต้อยพวกเนี่ยแหละงานทั้งหลายทําต่ำเหอนพวกสูตรอินเดียยังมีอยู่ทุกวันเพราะนั้นพวกพราหมณ์เนี่ยไม่ใช่เป็นเป็นตระกูลที่มีฐานะมีจุดมีตําแหน่งนนาาาเนี่ยทีนี้จันทภาพระเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเป็นผู้มีแสงสว่างในร่างกายคนเรามันเกิดมามันต่างกันนะ ไม่ต่างได้ยังไงเกิดมาตาบอดก็มีตั้งแต่มาเกิดหูหนวกก็มีบ้าใบก็มีโง่เงาก็มีฉเฉลียวฉลาดสวยงามก็มีมันมันเกิดมาแล้วมันมันจากรรมจำแนกมาตั้งแต่วันเกิดเทจันทภาเรากเกิดมาสวยงามแล้วก็มีแสงแสงสว่างออกจากร่างกายอีกต่างหากแต่นีนพวกลิวลล้อบริวารทั้งหลายเห็นโอ้ คนนี่แปลกไปดูแล้วผิดปกติกว่าคนทั้งหลายจากนั้นก็หาพวก อ, อุปโลกขึ้นมาเนี่ยพวกถือดือกงามยามดีพวกนี้กันนนะทำพิธีแหละแ่นจากนั้นก็ทำเป็นผ้าม่านปิดอย่างดีประกาศตลางเนี่ยพลามคนให้มีแสงสว่างในร่างกายถ้าผู้ใดเอามือมาอจับมือ ของพรามใ น, นคนนั้นจะได้เป็นโชคดีมีชัยกับว่ากันไปเลยแต่เนี่ยพวกริวล้อเนี่ยถ้าเอามาจับที่ไหนจับมือข้างหนึ่งต้องจ่ายพันหนึ่งจับมือสองข้างต้องจ่ายสองพันกับว่ากันไปถ้าให้เป่าหัวพร้อมหนึ่งสามพันบาทก็ว่างันนะพวกริวล้อมันเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ก็คนทั้งหลายก่อน ไอ้พระโมูเนี่ก็แห่ไปแล้วสิบ้านน้อยเมืองใหญ่ไปถึงกรุงสวรรถีกรุงสวรรถีคือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันมหาวิหารกรุงสวัรค์ถีพอไปถึงกรุงสวัรถีท่านเห็นคนถือดอกไม้ถูกเทียนตอนเช้าเอานําอาหารไปถวายพระสงฆ์ของหวานของข้าวถวายนําไปถวายพระสงฆ์อยู่ในวัดวัดป่าเชตตะวัน แต่พอตอนบ่ายก็เห็นถือดอกไม้ธูปเทียนเข้าไปกราบคาวะพระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์ที่วัดป่าเชตตะวันแต่ในพวกพรามณ์บริวารทั้ง500ห้าร้อยนี่ยเไปเพอไปถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็ไปตั้งไปตั้งประล้ำขึ้นมาแล้วก็ประกาศคนให้คนมาจับไม้จับมือเพื่อจะได้ให้คน ได้ให้เงินเป็นสิริมงคลสำหรับคนคนนั้นใครมาจับโชคดีทั้งนั้นเป็นสิริมงคลสิริจะเข้ากับคนคนนั้นเมื่อจมาจับพรามนี้ประกาศแต่คนกงสวัสดีเฉยเลยเขาไม่ได้สนใจก็เลยถามว่าําไมโอ้ยพรามนี่จะไปสู้พระพุทธเจ้าได้ยังไงพวกนี่พระพุทธเจ้าของพวกข้าพระเจ้า ที่เขาไปกราบไปไหว้ท่านเนี่ยท่านรู้อดีตอนาคตมุดทุกอย่างภาพนี่ไม่ไม่ถึงเชี่ยวเล ย, ย่าเขามาอวดไอ้พวกกุงสวัสีพวกสาวกของพระพุทธเจ้าก็ใช่ย่อยเมื่อไหร่เหงนนั้นแหลยกยครูของตนเองบรมครูของตนเองทบทับเขาเหมือนกันเขาเอ่ฟังเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ยอมไอพวกพราหมณ์ห่าลราปะไปดูซิวะสมณโคตม เก่งจริงไหมดีจริงไหมไอ้ตอนนี้ก็เอาพาพรามตอนนี้เขามาพอเข้าไปพอไปกาพอพูดไเจ้าเน่ะพอเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าอัลัตจะมีแสงสว่างเหมือนกับดวงจันทร์อยู่ในตัวของพราม์่แสงสว่างล้อมรอบพรามณ์หายหมดเลยหายหมดเลยเหมือนกับกาอยู่ในตะ ก, กา้าทตรงนั้นอ่ะเหมือนกับกายจุไรตะ ก, กาดําปีอ่อะ อ hey, hey. ทําไมเป็นอย่างนี้วะเอาออกมาขยับออกมาอีกมาอยู่ห่างๆตัชมีเกิดขึ้นมาอีกเอาเข้าไปอีกเอาไปอีกดําปี อ, อย่างเก่าถึงสามครั้งก็เลยออกมาพามจันทถาภะก็เลยถามพระพุทธเจ้าข่าเนะี่ยพระพุทธองค์รู้ไหมว่าวิธีการที่จะทําแสงใ ห, ให้สว่างไปอยู่ณสถานที่ใดให้มีแสงสว่างในร่างกายตลอดไปเนี่ย พระองค์พระพุทธองค์รู้ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่ารู้เราสถาคตรู้วิธีถา้างนั้นก้าผมขอเรียนได้ไหมพระเจ้าค่ะจันทธาระขอเรียนคาถาแล้วนะท่นี่ขอเรียนพิชานะพระพุทธองค์บอกว่าเราเราประสิทธิศาสตร์ิชานี้ให้ไม่ได้ เ, เว้นเสียแต่ผู้ที่มาบวชเป็นลูกสิษย์เออ ของเราจักขยบุตรเป็นบุตรของเราเท่านั้นเราจรึงจะสอนวิชานี้ให้ถ้าหาว่าไม่บวชสอนให้ไม่ได้โอ้ทางนั้นข้าพระองค์ขอบวชเหมอนนะจากไดวิชาได้เพราะว่าตัวเองเข้ามาทีเดีมามันดําปีออกไปสว่างเข้ามาทั้งสองสามครั้งอยังเก่าถ้าหาว่าไปหาที่ไหนอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถ้าได้วิ ช, ชาจาก สมณะโคตรพุทธเจ้าเนี่ยก็ไปที่ไหนก็คงจะกระเดืองเรื่องลือเลยใช่ไหมเออไม่ต้องกลัวใครไปที่ไหนก็สว่างหมดถิ่พระองค์ก็พอจะพรามณ์นล้วก็บวชพอพราม์บวชแล้วพระพุทธเจ้าก็บวชเป็นพระแล้วนะท่านไ อ, อ้ลูกน้องก็ให้ไปอยู่นอกวัดก่อนไปไปสู่เจ้าห้าร้อยคนไปอยู่นอกวัดก่อนไปอยู่ในปรมไว้ก่อนเตรียมพร้อมนะถ้าเราเรียนคาถาะได้ ปิชาอาคมเสร็จเรียบร้อยจากพระพุทธเจ้าแล้วเราจริงจะออกไปให้ทุเจ้าไปตั้งทัพรอนะพวกลูกน้องก็รอล่ะพอบวชพวระองค์ก็สอนพรามณ์สอนอาการ32สองให้สาธยายนะสาธยายกอาการส2สองอย่างที่พวกเราได้สาธยายนะ เกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเกิอในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดใจใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าให้พราหมณ์ในสาธยายอาการสาสบสองให้เป็นอสุภะปฏิกูลให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดมาแล้วแก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีอะไรจิตลังถาวรให้พระพุทธองค์สอนวิชาให้ตัวนี้ให้สาธยายอาการสาสบสอง ได้สองสามวันกำลังสาธยายอย่างเข้มขน้นลูกน้องบริวารก็เข้ามาเป็นไงอาจารย์ญญจบหรือยังยังยังยงยงออกไปรอคอนเดี๋ยวกำลังเรียนเรียนกำลังเข้มขน้น <c oughs> ตอนนั้นก็เรียนอีกจ้นี้ พ, พระพุทธองค์ก็สอนให้พิจารณาถึงใจปล่อยวางเท่านั้นแหละจ้ะเนี่พรามคนนั้นก็มีอุปนิสัยเป็นบุญ บารมีของท่านมาตั้งแต่อดีตชาติอยู่แล้วเนี่ยท่านสั่งสมบุญกุศลมาแต่งอดีตชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านจะได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์แล้ในชาตินี้พอได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังเท่านนนะแล้วก็นำไปปฏิบัติท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ไม่ถึงเจวันอีกต่างหากพอสําเร็จแล้วทีนี้ก็หยุดลเลยแต่นี่พวกหลิวล้อบริวาร500ร้อยก็มาถามอาจารย์เป็นไงเรียนจบแล้ว ย, ยัง โอ้ย เ, ออเราไม่มีวิชาที่จะไปหากินอีกแล้วหยุดเราหยุดแล้วไปสุเา้าจะไปที่ไหนก็ไปถ้าสุเจ้าอยากจะบวชก็บวชกับอย่างที่ข้าถ้าหากว่าไม่บวชก็ไปหาอยู่หา ก, กินไปสุชาติข้ามันไปอีกแล้วข้าหยุดแล้วปิชานั่นแหละเออพวกนั้นกบ ไม่รู้เขาจะไปทางไหนเบ้างกันคงผู้ที่จะบวชก็คงจะบวชผู้ที่จะไปทางอื่นคงจะมีมเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยทำเอาบวชหลวงพ่ออินบอกให้บวชมาบวชกับหลวงพ่ออินทั้งหมดคงจะเต็มวัดเต็มวัดเต็มไปหมวดวัดมันมีที่จะอยู่เนี่ยผที่บวชก็มีองค์ที่คนที่ไปทางอื่นก็คงจะมีลักษณะอย่างนั้นน่ะทุกษิตของจันทาภาเนี่ยจากนั้นท่านก็บวช<ม>กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระพุทธเจ้าเพราท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วนี่ย จากนั้นก็พระทั้งสงูงพระสง์ทั้งหลายบวชเอ๊จันททาภาเนี่ยพูดอย่างนี้หนึ่งเหมือนกับอวดอุตริมนุษยธรรมว่าตัวเองได้สําเร็จเป็นพระรหันนี่เนี่ยมีแต่พระรหันเท่านั้นพูดคําว่าจบแล้วหยุดแล้วไม่ไปแ ล, แล้วเราจะไม่ทําสิ่งนั้นอีกแล้วหยุดแล้วมีแต่พระรหันเนี่ยพูดอย่างนี้จันททาภาเนี่ย like, พูดอย่างนี้เหมือนกับตัวเองเป็นพระรหันนี้เนี่ย พระสงฆ์ทั้งหลายเป็นปุถุชนกับปกราศพระพุทธทเจ้านเนี่ยพระจันทธรรธาภะพูดอย่างนี้พระเจ้าครับพระบวชใหม่เนี่ยทำไมพูดอย่างเนี้พยพราะพทธองค์บอกว่าจันทธรรธาภะเนี่ยเขามาภาวนายังไม่ถึงเจ็ดวันเนี่ยเขาศึกษาอย่างจริงจังเขาได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์และะ้ว <steak> นะเขาได้สําเร็จแล้วที่เขาพูดอย่างนั้นเป็นคําจริง เ, เป็นความจริงเป็นคําจริงที่เขาพูดเขาได้สําเร็จแล้ว ชาตินี้เป็นชาติที่เขาไม่มาเอเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นเขาพูดให้บริวารเขาฟังเป็นคําพูดที่แท้จริงเพราะว่าเขาได้ทํากรรมดีไว้ในอดีตเขาจึงมีเป็นเป็นอย่างนี้พระสงฆ์ทรายกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าในอดีตชาติเนี่ยเขาเขาทำไมเขาจึงเขาได้ทํากรรมอันไหนไว้เขาจึงมาเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระองค์บอกว่าในอดีตชาติเขา เป็นเศรษฐีในเมืองแล้วก็ไปถามไปหาชนนบทไปถามเขาว่าไม้อย่างนี้มีไหมไปชนนบทเขาก็บ่าดงนั่นเป็นป่าดงไม้จันแดงไม้จันหอมเขาก็บอกมีเรามาให้ดูぜเขาก็มาให้ดูพอดูเสร็จก็เลยเอาเกวียนไปใสบ่บรรทุกไม้จันแดงเข้ามาในเมืองมาแล้วก็มาบดบดแล้วก็ พะพุทธเจ้ากัจ ป, ปะปรินิพานไม่นานเขากำลังสร้างสถูปและเจดีย์พราหมณ์คนนี้ก็เลยบดไม้จันหอมที่มีกลิ่นหอมสีแดงแล้วก็ทำเอาไปแล้วก็ไปจุดในกระถางให้เหมือนกนระถีบอย่างนั้นบูชาแล้วก็ทำเป็นสมประตูสวยงามด้วยไม้จันแดงอยู่ที่ พระเจดีของพระพุทธเจ้ากัจจปะเน่ยด้วยอาณาสง์ที่เขาได้ทําไว้ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะในครั้งนั้นตัวของเขาก็เลยมีแสงสว่างออกจากร่างกายเหมือนกับดวงจันทร์พุนักกรรมกรรมคือการกระทําของเขาด้วยบุญด้วยกุศลในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะ มาเกิดมาพกนีชาตินี้เขาจึงเกิดขึ้นมาแล้วเป็นชาติจุดท้ายของเขาชาตินี้เขาจะได้เป็นชาติจุดท้ายจะได้เป็นพระทหารแล้วบุญกุศลจุดนั้นเขามาเกื้อกูลหนุนเขาเขาจึงเป็นผู้มีร่างกายสวยงามและก็มีแสงสว่างออกจากร่างกายเหมือนกันดวงจันทร์นี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านไม่ได้ว่าเกิดมาพบนี้ชาตินี้ชาติเดียวไม่ใช่ท่านย้อนไปถึงในอดีตชาติของแต่ละคนอีกต่างหากเพราะนั้นพวกเราที่นั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ครับก็มีอดีตชาติเหมือนกันอะที่เราตกทุกข์แต่อยากทําอะไรขาดขาดลนุลนลุนทุกทุกจนจนโรคภัยไข้เจ็บลุมเล้าเราจะว่าแต่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้นะเอในชาติก่อนเราอาจจะไปทุกข์ไปตีไปฆ่าไป ลังแกเบียดเบียนคนอื่นเขาไปอิจช้าปยาบาดอาคาตจองเวรกับเขาทํากรรมชั่วมัด เ, เกิดพศชาติที่แล้วเกิดมาชาติที่ปั่มปั่มเปื้อเปหลงหลงลืมลืมเลยเกิดมาชาติที่แล้วก็คงจะกินเหล้าหัวลาน้ำนะ่ะเอกินเหล้าเมายาเที่ยวสัมเาเลเทเมงไม่ได้สังสมคุณงามความดีกรรมตัว น, นั้นแหละกรรมคือการกระทําตัว น, นั้นแหละ เออมันมาให้ผลต่อต่อต่อต่อมาถึงพบน้ชาตินี้ เ, เห็นไหมพราหมณคนนั้นอนะาจารย์ทัฐาพระท่านทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระเจดีของพระพุทธเจ้ากัจจป่าท่านก็ ย, ยังส่งผลมาให้ถึงชาตินี่นมาถึงพระพุทธเจ้าโคตรมะของเราเกิดมากี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนชาติจากนั้นมามาถึงพระพุทธเจ้าโคตมะเนี่ยเพราะฉะนั้นบุญกุศลทั้งหลาย ไม่ควรประมาทสรุปแล้วปุญญานิปละโลกัตสมิงปฏิทาโหนติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรพรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะคำชั่วอย่าทำให้ทำแต่กรรมดีถ้าใครตกรรมทำกรรมชั่วกรรมชั่วน็ให้ผลถ้าใครทำกรรมดีกรรมดีก็ให้ผล ทั้งสนทั้ทงสองอย่างแต่ว่าให้ผลนะมันเป็นยังไงถ้ากรรมชั่วให้ผลมีแต่เรื่องทุกอย่างลำบกากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเกิดลุมเล้าทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนั้นแปลว่ากรรมชั่วให้ผลกรรมดีให้ผลมีแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินเลื่อนเลิงแต่ก็อยา่าไปหลงอยา่าไปลืมตัวท่า น, นนะอพอได้กรรมดีขึ้นมาเลยเหมือนกับคนมีเงินนะ พอร่ำรวยขึ้นมานี่นู่นไปหากินเล่าเมายายาบ้ายามาคันชายยาฝิ่นเที่ยวสัมเรเทเมามกรรมชั่วทั้งหลายทหมดเพราะตัวเองมีมีเงินมีฐานะที่จะต้องทําเกิดพบนาชาตินานลงอีกเรพราะอะไรเพราะทำกรรมไม่ดีเอาไว้เมื่อเราได้ดีแล้วเราต้องพยายามประคองแชมเอาไว้แต่การกองแชมเนี่ยยากกว่าได้แชมนะ์ะ เออถ้าได้แชมป์มันคล้ายๆว่ามันฟุกมาทีๆเ อ, อเป็นนอกเขาถูกที่ถูกทางเขาก็เลยลงไปนอนตัวเองเลยได้แชมป์แต่ที่จะรักษาแชมป์เนี่ยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาไม่ไม่รู้ว่าเขาจะมาเอาเราเมื่อไหร่ฮะวันนั้นพวกเราเนี่ยการสั่งสมคุณงามความดีการรักษาคุณงามความดีเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะนะรักษายากแต่ทียังไงควรจะรักษาเพราะการรักษาความดีเนี่ยเป็นความสุขต่อไปภายภาคหน้านะ วันนี้ก็ให้แนวความคิดสำหรับลูกหลานทุกคนเป็นแนวความคิดนะรับพรอน โ, นโมธนาให้พร